อวันนี้คงเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อาจจะพราะเดินมาแปดเก้าวันแล้วเนาะไม่ได้พักนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทางก็ขนะึ้นเข่าลงห้วยตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงที่โยมบอกว่า ขึ้นข้างเขาแค่รูปเดียวนี่ใจนี่คิดโอ้สบายมาก <c oughs> วันอืนอ่นๆก็ขึ้นเขามาหลายรูปเลยแต่พอเจอแตภาพ <c oughs> จริงๆนะผ่านแม่น้ำร้อยสายนะหรือมากกว่าร้อยสายก็ได้นะอาจจะบางบางสายก็ผ่านหลายรอบนะ ซึ้นเขาก็ตั้งแต่ตีนเขานะเป็นทั้งสุดยอดของเขาซึ่งเปสุดยอดเขามองเหนเขาลูกอื่นเอลูกเล็กกว่าเขาที่เราือยู่เยอะเลย <c oughs> แล้วก็ดงเขานะก็เป็นก่อนจะถึงบ้านนะก่อนจะถึงบ้านขุนแม่ซองก็ เกือบมืดค่ำนะระยะทางอาจจะไม่ไกลที่สุดนะแต่ก็ได้รสชาติหลายแบบเนาะแต่เราลองสังเกตตอนที่เราขึ้นเขาอตอนนั้นร่างกายก็เหนื่อยมากนะจิตใจไม่รู้เป็นแบบไหนนะบางคนจิตใจ มีความทอ้อมีความถอยไม่หรือว่าเฉยๆเยอะนะร่างกายก็เหนื่อยมากนะไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือไม่ว่าจะลงเขาแต่เราสังเกตดูร่างกายเราตอนนี้เป็นแบบไหนนะคือจริงตั้งแต่พอขึ้นเขาพอเดินทางราบนะร่างกายก็ได้พักนะมันก็หายเหนื่อยไปเยอะละนะอืม พอลมเขาอาจจะปวดขาหน่อยนะแต่พอไมไ่ลมเขาแล้วร่างกายมันก็หายเมือ่อยหายปวดไปเยอะละพอถึงตอนนี้เป็นไงร่างกายเราก็คิดว่าการความปวดความเมื่อยความเหนื่อยเนี่ยหายไปมากกว่าครึ่งแล่วอาจจะเหลืออยู่บ้างหลังจะได้พักผ่อนเนะนี่ยดู ร่างกายเหล่านี้ก็น่าอัศจรรย์นะมันมันเปลี่ยนแปลงมาแสดงความความทุกข์ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละขณะนะแตกต่างกันมากบนาะงครั้งก็เหนื่อยมากนะแล้วมันก็ลดลงอ่ามันก็เพิ่มขึ้นมาครั้งก็ลดลงความทุกข์เนะี่ยคือเราก็ดูนะความทุกข์นะ ความความทุกข์ของร่างกายเนะี่ยมันก็แสดงให้เห็นชัดนะนะร่างกายเป็นทุกข์แบบไหนเราก็เห็นมันชัดๆนกะจากการเดินทุดงบางทีถ้าเราไม่ได้เดินทุดงนะเราก็จะไม่เคยเห็นร่างกายที่มันแสดงความทุกข์นะสักเท่าไหร่นะอาจจะมีความทุกข์แต่ตอนหิวตอนง่วงนะหรือตอนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะ เราก็เลยคิดว่าร่างกายเรามันสุขสบายดีเนะี่ยมันเป็นทุกข์แค่บางครั้งบางคราวนะแต่พอเรามาเดินทดลองเราเห็นนะเออร่างกายมันเป็นทุกข์เนะี่ยบางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยนะแต่จริงถ้าเราสังเกตจริงๆนะ ไม่แต่การหายใจเนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขทุกข์ของร่างกายน ะ, นะเราหายใจออกไม่หายใจเข้าเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วนะทุกอย่างของร่างกายในะอิรดียบทต่างๆนั่งเปลี่ยนอิเดียบทยืนเดินขยับนิดขยับหน่อยกระพริบตานะีนก็เป็นการแก้ทุกข์ของร่างกายนะ นั้นร่างกายมันมันเป็นทุกข์นะมันทนอยู่ในอาการเดิมไม่ได้ทุกข์คือการที่ทนอยู่ในอาการเดิมไม่ได้ใครจะว่านั่งสงบนิ่งนะนั่งสมาธนะิแต่จริงมันก็มีการไหวของร่างกายภายในนะภายนอกอาจจะดูไม่ไหวนะนอกจากลมหายใจนะ หรืแม้แต่ตอนสมาธิมากๆก็เหมือนไม่มีลมหายใจนะแต่จริงมันก็ยังหายใจอยู่นั่นแหล ะ, ะแต่ที่จริงร่างกายข้างในเราก็ยังเคลื่อนไหวนไม่มีใครบังคับบัญชาขเขานะแต่เขาก็ทํางานของเขาเองนหัวใจเขาก็เต้นของเขาเองนะตับไตนะอวัยวะภายในเขาก็ทํางานของเขาเอง ถ้าเราดูจริงๆพิจารณาจริงนะร่างกายเราควบคุมเขาเขาแทบไม่ได้นะควบคุมได้อาจจะไม่กี่เปอร์เซนท่านั้นนะตอนที่ร่างกายเราปกติก็อาจจะควบคุมให้ยืนเดินนั่งนอนให้ทำนั่นทำนี่ได้แต่จริงความที่ควบคุมไม่ได้น่มันมีเยอะกว่าหรือตอนที่เรา เหนื่อยตอนที่เราไม่สบายเนะี่ยยิ่งเห็นชัดว่าร่างกายมันควบคุมไม่ได้แล้วที่จริงเราก็ไม่จาเป็นต้องไปควบคุมมันนะยิ่งอยากไปควบคุมมันนะ่ยยิ่งทุกขนะนะ์ทุกกายยังไม่พอนะทุกใจเลยนะถ้าเราตอนที่เหนื่อยๆนะก็แค่ยอมรับว่าร่างกายมันเหนื่อยไม่ต้องไป ตีโผลตีพายมันเออทําไมมันเหนื่อยอเกินหรือไม่อยากให้มันเหนื่อยนะอะไรน่ะอพูดแบบนี้นะมันก็หรือคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าร่างกายมันจะหายเหนื่อยนะเนี่มันกลับยิ่งเหนื่อยกเก่าเนกะ่ากายก็เหนื่อยอยู่แล้วก็ไม่สามารถบรรเทาได้ใจก็ยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าเราเพีงแค่แบบยอมรับมันจริงๆนะอืม เห็นมันอย่างเมื่อวานนะผมจะมาตอนเดินขึ้นเขาก็ก็เห็นร่างกายมันเหนื่อยมากจนเหมือนจะเป็นลมเหมือนกันนะดูดูแบบวิงเวียนไปเลยแต่ก็ดูไปเดินช่างหัวมันเออสักพักมันก็ดีขึ้นเราก็เราก็ดูมันถ้า ก็ถ้าคิดก็คิดตอนนั้นคิดว่าเป็นก็เป็น <c oughs> จะเป็นหลมก็เป็นนะช้ำหัวมันอันนี้ก็แต่ถ้าพักร่างกายมันก็ปรับได้นะมันก็ปรับของมันได้อ น, นี่คือถ้าเรายอมรับร่างกายอย่างที่มันเป็นนะมันก็สามารถมันก็ปรับตัวของมันได้นะ นี่ร่างกายเรานะมันแสดงความเป็นทุกข์แสดงความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นแสดงความบังคับบัญชามไม่ได้นะควบคุมไม่ได้นะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเนะี่ยมันแสดงให้เราเห็นชัดขึ้นเนาะนะแต่จริงร่างกายเนี่มันเราก็ดูพิจารณาร่างกายเราก็เห็นแล้วเนะี่ยมันถ้าเราเห็นแนละ้วมันก็ไม่น่า มันจะไปยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจังเอาแน่นอนไม่ได้เนาะถ้าเราหลงไปบังคับกายเนะี่ยมันก็เหนื่อยมันก็ทุกข์นะเหมือนตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนาะบางทีเราก็เคยบังคับลมหายใจอยู่นะ อ, อยากให้มันยาวอยากให้มันสั้นอยากให้มันยาบอยากให้มันละเอียด <c oughs> กายเป็นยิ่งหายใจไปก็ยิ่งทุกข์นะ หรือเดินจงกรมเคยฝึกเดินแบบกำหนดมากๆเนี่ยใช้ช้าเนะี่ยค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบลงเลยนะมันเหนื่อยนะรรนะมันเหนื่อยก็เลยรู้สึกเอะทำไมปฏิบัติธรรมแล้วมันเหนื่อยปฏิบัติธรรมแล้วมันเกร็งปฏิปฏิบัติธรรมแล้วมันเครียดนะอ๋อที่จริงก็ เพราะว่าเราไม่ได้ทําตามธรรมชาติไม่ได้ทําแบบสบายๆจําได้เลยตอนบวชใหม่ๆหลวงพ่อคำเขียนก็เคยเทศไม่หายใจสบายๆนะ่าอะไรนะีร่ล้วก็หรือว่าหลวงพ่อเห็นเราตอนนั่งฟังธรรมนั่งนิ่งๆไม่ยกมือเหมือนเขาเนี่ยนั่งถ้าเสร็จทีท่านพ่อก็พูดหลายครั้งนะให้หายใจสบายๆนะ พ่อเราก็ค่อยๆใจว่าอ๋อที่จริงไม่แต่ดูลมหายใจก็ไม่ต้องไปกำหนดให้มันยาวให้มันสั้นให้มันยาวให้มันละเอียดหายใจสบายๆรู้นะอย่างที่มันเป็นรู้แบบสบายๆพอทำแบบนั้นมันกลับสบาย ม, มันกลับได้สมาธิกลับได้สตินะ ร่างกายเราก็เหมือนกันนะถ้าเราทําแบบสบายๆไม่ฝืนเนี่ยไม่ฝนะืนมันเกินไปเนะี่ยเดินก็ไม่ฝืนเร่งไม่ฝืนช้านะอืเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นธรรมชาตินะความปวดความเมื่อยความเหนื่อยมนัยนะก็ลดลงไปได้เยอะนะเนะี่ยร่างกายมันก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นแนละ้วก็พิจารณาดูนะอ มาดูเราก็อยู่กับทุกข์เราก็ใช้ประโยชน์จากทุกข์นี่แหละ <c oughs> ใช้ประโยชน์จากกองทุกข์นะไม่กี่ปีหรือบางคนก็ไม่รู้อถึงปีหรือเปล่า <c oughs> เราก็ต้งจากกองทุกข์นี้แล้วแต่เราก็ใช้ประโยชน์จากกองทุกข์นี้เนา ะ, ะเพื่อทําความเพียรนนะ เพื่อเรียนรู้ในกองทุกตรงนี้นะเราขอบคุณร่างกายนะที่เราทำให้เราได้ทําได้หลายอย่างนะแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้เขาวนะ่าเขาก็ไม่ใช่เรานะเขาก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เข้ามาประกอบกันนะสักวันหนึ่งก็ต้องแตกตับไปนะเราก็ดู ตื่นมาทุกเช้าก็ดูร่างกายมันตื่นเป็นแบบไหนนะตอนกลางวันก็ดูอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวนะตอนนอนก็ดูท่าทางมันนอนบางทีนอนหลับตื่นตื่นนะก็ดนะูก็ดูร่างกายนะมันตื่นด้วยความหนาวนะก็เห็นมันนะ มันตื่นด้วยความฝันก็เห็นมันมันตื่นด้วยความอิ่มอก็เห็นมันนะเห็นว่าร่างกายมันมันเป็นคนรับอาการเลยน ะ, ะตื่นด้วยความหนาวร่างกายก็เกรง็งนะหรืออาจจะขดนะตื่นด้วยความฝันนะร่างกายก็ดูไม่เป็นอะไรแต่ใจนะมันคิดมันฝัน ตื่นด้วยความนอนอิม่มร่างกายก็สดชื่นเนี่ยจิตใจก็สบายนะเนี่ยเราก็ดูมันนะเออบางทีก็บังคับไม่ได้นะความหนาวความฝันบางทีก็บังคับไม่ได้ความสดชื่นเมื่อไรก็บังคับไม่ได้เราก็แค่รู้มันอย่างที่มันเป็นนะเราก็รู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องลยบังคับอะไรมันนะก็ แก้ไขบรรเทามันไปตามอาการก็พอนะเนี่ยร่างกายเนะี่ยแต่ส่วนหนึ่งเรารักษาใจเราให้เป็นปกตินะรักษาใจไม่ว่าร่างกายเขาจะทุกขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนสิ่งที่มันทมเติมให้มันทุกข์มากก็คือใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ฟุ้งซ่านถึงอาการร่างกายที่เหนื่อยที่ทุกข์เนี่ย มันเพิ่มความทุกข์ของกายไปเยอะเลยนะสังเกตไหมหรือบางทีเราก็ขนาดบางทีเราฟุ้งสร้างไปนอกตัวนะสมาธิก็เกาะออกไปเนะี่ยทำให้บางทีก็พอจิตไม่มันจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่สงบเนะีนะ่ยเนี่ยมันก็เหนื่อยกว่าการที่เดินด้วยจิตที่สงบนะ นี่คือความฟุ้งซ่านคนจิตเนี่ยไม่ว่าจะด้วยความกังวลในร่างกายในสภาพแวดล้อมหรือว่าพุ้งออกไปข้าง น, นอกเนี่ยมันก็เป็นการลดทอนร่างกายให้ประสิทธิภาพมันต่ําลงเนคล้ายๆเหมือนกับรถอะสมรรถภาพเท่ากันนแต่คนขับรถเนี่ยคนขับรถเก่งเนี่ยรู้จักจังหวะเร่งจังหวะชะลอจังหวะ ใส่เกียร์จังหวะเหยียบคาดนะ่ะรถคันเดียวกันนะ้แต่ถ้าคนขับก็เก่งเนะี่ยขึ้นเขาลงห้วยเนะี่ยก็ไปได้รถคันเดียวกันแต่ถ้าคนขับรถไม่เก่งนะอใส่เกียร์ตะขุกตะขะนะจะขึ้นเขาก็ไม่รู้จังหวะจะใช้เกียร์ไหนจะเร่งตอนไหนจะลงจะเบรกยังไรจะชะลอ ย, อย่างไรไม่เป็นเนะีนะ่ยรถก็เสียนะ บางทีก็อาจจะเดินทางไม่ถึงเป้าหมายก็ได้นะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนร่างกายเราเหมือนกับรถเนาะจิตใจเราเหมือนกับคนขับนั่นแหละจิตใจที่มีประสิทธิภาพนะี่คือใจที่มีสมาธิมีสตินะี่มีความมั่นคงดีเนะีนะ่ยทางจะลำบากนะก็แต่มันก็ไปไปได้นะอกนะครองตัวเองไปได้เหมือนเราเห็น ทางที่เราเดินเมื่อวานเนอะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์นี่ตัเองยากนะเนะ่เป็นร่องเป็นหินดยน้ำขึ้นเขาลงเขายากนคนจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องมีสมาธิมีสติอย่างดีมากนะถึงจะขับได้ถึงจะปลอดใจถึงจะไม่ล้มนะเนี่ยเราก็เห็นโอ้พ่อพี่เจนนะจิตใจเราก็เหมือนกันน ะ, นะ จิตใจเราก็เหมือนกับคนขับที่ต้องต้องมีความสามารถนะในการที่จะประคองร่างกายให้ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้เนะนี่ยก็สำคัญนะร่างกายก็สำคัญจิตใจก็สำคัญนะ <c oughs> มันทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ถึงตอนนี้ได้เนะี่ย <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณร่างกาย <c oughs> ขอบคุณ เนี่ยจิตใจเนี่ยขอบคุณพเพื่อนๆขอบคุณชาวบ้านนะตอนดูน้ำนี่ก็ขอบคุณนะสบายดี<ม> <c oughs> ตอนลมพัดเย็นๆสบายเออก็ขอบคุณ อ, อ, อัทีก็ขอบคุณมะขามป้อมเออได้กินออไป ด, ด้วยก็มีกำลังกายเดิน บันทีเขาขอบคุณคือแร่น ะ, ะไม่มีพลังเดินขึ้ น, นมองเป็นเรื่องมองเป็นเรื่องสนุกสนุกนะมองเป็นเรื่องสนเพลินแล้วก็มันก็ไปได้น ะ, นไไนะอยวไปคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงนะบางทีก็ถามที้แจงแหละว่าไกลเท่าไหร่นะแต่ถามแล้วก็วางไว้นะตอนเดินก็เดินไปทีละก้าวพอนะ เขาว่าเท่านั้นเราก็ฟังไว้ไนงะไม่ใค่เขาว่าชั่วโมองครึ่งนะก็ฟังไว้นะเขาว่าสี่ห้าชั่วโมองก็ฟังไวนะ้ไงแต่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปทําตามที่เขาว่านะ <c oughs> เราก็ทําตามจังหวะเก้าของเราเนี <c oughs> ่ยถ้าเราวางใจอย่างนี้นะโอ้จะเดินเขากี่รูปนะจะทางไกลเท่าไหร่นะมันก็ คงไม่ยากเกินไปนะอืมแต่ก็นอกจากบางคนสภาพร่างกายไม่ไหวอันนั้นก็เนื่องจากปัญหาสุขภาพอันนั้นก็ต้องเอก็อย่าไปฟื้นเกินไปนะเอไม่ไหวก็คือไม่ไหวยยอมรับมันไม่ไหวก็ไม่ใช่ว่าเราแพ้นะแต่เพราะสังขารมันไม่อึอมันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งการยอมรับความจริงเนี่ย ก, ก็คือธรรมะอย่างหนึ่งนะแต่ขนาที่บางทีถ้าเออบางทีร่างการมันไหวแต่ถ้าใจมันยอมแพ้ก่อนเนะี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่การวางใจเราที่มีผิดนะชอบจริงๆนะอย่างภาษาไทยใช้คาว่าวางใจอนยะ่เนี้ยโอ้มันจริงๆนะเหมือนถ้าเราวางใจ ถูกทางถูกที่นะถูกต้องเนะี่ยความไม่ทุกข์มันก็ปรากฏได้นะก็คนะือความความเฉยเฉยความปกติของใจสิ่งแค่วางใจไว้ถูกที่ถูกทางถูกต้องเนะี่ยเออมันก็มันก็เห็นนะเห็นสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะถ้าวางใจถูกนะแต่ถ้าวางใจผิดเมื่อไรเนะี่ย มันก็เผลอไหลออกไปนะไหลออกไปข้างนอกบ้างไหลเข้าไปเพ่งบ้างนะไหลไปบังคับบ้างนะไหลไปอยากนั่นนี่บ้างเนี่ยมันเห็นนะเออพอวางใจไว้ผิดนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะนะกิดมันก็เป็นทุกข์เลยนะอืม อันนั้นเราก็วางใจให้ถูกในขณะที่เดินทางก็ดีหรือขณะที่ไม่ได้เดินทางก็ดีนะวางใจให้ถูกอ่วางใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวน ะ, นะจะพูดคุยจะทำพันกับอะไรก็วางใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้กิ่นอาหารนะก็รู้ทันนะใจเรานะพูดคุยนะ ถ้าฟังข้อมูลก็ให้รู้ทันให้มีสตินะอยู่กับตัวฝั่งเราจนะอยู่คนเดียวจะอยู่กับคนอื่นก็เนะี่ยรักษาใจนะรักษาใจคอยรู้ทันใจนะนะการรักษาคือการคอยรู้ทันนะไม่ใช่การที่บังคับหรือไม่ให้เขาฟุง้งไม่ให้เขาคิดไม่ใช่เพียงแค่รู้ทันนะรู้ทันนอะ มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่มันออกไปที่อื่นไม่นะ่ะเราก็เพียงแค่คอยรู้นะ่ะคอยรู้คอยดูเขาบ่อยๆนะไม่เห็นใจก็ไม่เป็นไรไม่เห็นใจก็ดูกายไปดูกายนะ่ะเขาทำนั่นทำนี่ขนาดที่ดูกายใจก็อยู่กับกายนั่นแหละนะ่ะอมมันก็เป็นปกติของมันเองอันนี้เนาะ ก, ก็เราก็มา ถึงวัดป่าดอยดอยตุงนะก็ดีนะก็ได้วันนี้ก็คงได้พักเนะหลังจากที่ได้เดินทางมาหลายวันก็ได้พักผ่อนร่างกายได้จัดเตรียมสัมภาระเนะี่ให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะ